การปฏิบัติตามคำได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเป็นสิ่งเวทล้อมซึ่งกันและกันทำให้กรรมการกระทำ ม, มันเจริญก้าวต้าเรามาศึกษามาเจริญสติก็ เ, เป็นกรรมเป็นการกระทำใช้ได้ทันที สตินี่เป็นสารพัดนึกใช้ได้ทันทีเช่นเราไม่สติดูกายก็เห็นกายได้ทันทีเห็นก็เห็นแจ้งทันทีไม่มีคำถามเป็นสัจธรรม แล้วก็จะเห็นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตใจจะไม่หลงไม่หลงสักอย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจถ้าไม่หลงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแล้วนอกกายนอกใจก็กไม่หลง ก็จะไม่หลงยิ่งขึ้นการไม่หลงเรื่องของกายของใจท่านเรียกว่ารู้แจ้งเรียกว่าวิปัสนากรรมาฐานวิปัสนากรรมาฐานเป็นคุณธรรมที่ทำให้ถึงมรรคในผานได้เราเราก็เห็น ไม่ใช่คิดไปเห็นอะไรไปเห็นความหลงไปเห็นความห่วงไปเห็นอะไรต่างๆก็ไม่หลงสักอย่างเดียวแต่เราในความรู้สึกตัวตั้งหลักไปให้ดีๆให้มันเป็นฐานให้มันเป็นที่ตั้งดีๆในความรู้สึกจริงๆความรู้สึกเข้าไปเห็น สิ่งต่างๆที่เกิดเครื่องกับกายกับใจอย่าไปใช่เหตุใช่ผลอย่าไปใช่ความชอบความไม่ชอบมีแต่รู้จึกตัวเข้าไปืสื่ อ, อตรงๆการเห็น อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นเรื่องของสตินี่ท่านเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติกรร ม, มาฐานกรร ม, มาฐานตัวนี้จะลิขิตไปเองเป็นทางหลุดทางพ้นไปเองการเจริญสติสติมันก็ทำให้เจริญ ไม่ต้องไปอาศัยอันอื่นอยู่ในเนื้อในตัวเนื้อในเนื้อเนื้อมันในมันโบราณท่านว่าสติก็สร้างสติเลื่อยไปการจเจริญสติไม่เหมือนทำอย่างอื่น ทำจยาเกินกลัวจะได้ใช่ในต้องใช้วเวลาต้องมีสิ่งเกี่ยวข้องหลายอย่างเช่นเราปลูกต้นไม้ก็ต้องมีสิ่งที่ประกอบหลายอย่างต่อต้นไม้นั่น เราจะไปทำให้มันเจริญเติบโตโดยวิธีใดไม่ได้ไม่แต่เราเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดลอ้อมแต่สตินี่มีแต่สติเข้าถึงเนื้อถึงตัวทันทีทำลงไปรู้สึกตัวลงไปรู้สึกตัวลงไปมีอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวก็เอาความรู้สึกตัวเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมด ความหลงก็เป็นความรู้สึกตัวความทุกข์ปัญหาต่างๆเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดเลยอืการปฏิบัติธรรมมันเป็นกอบเป็นกรรมเป็นมรรคเป็นผลอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงกระตือรือร้นสอนผู้สอนคนให้เลื่อนฐานนะ ให้ประสบการ์ให้พบเห็นสติที่มีประสบการ์เกี่ยวกับความหลงสติก็พัฒนาสติมีประสบการ์กับความงงเหงาหอนอนสติก็ถูกพัฒนาไม่เสียหายสักอย่างเลยการเจริญสติเนี่ยไม่เหมือนอย่างอื่น เวลานี่พวกเราปลูกต้นไม้เนี่ยกำลังจะมีภัยกับต้นไม้มีด้วงมาเจาะตายไปหลายต้นทำไมจึงมีด้วงมาเจาะเพราะมีตัวโตไปเอาเปลือกเอายาง <c oughs> โดยเพพาะต้นยางหนาต้นอืม อะไรจำไม่ได้มันเป็นยางตัวต่อก็เอาไปทำรังไปกัดเอาเปลือกเอาอยางมันไปทำรังพอตัวต่อไปกัดเอามันก็เกิดยางก็มีมัลแรงปีแม่แม่ ตัวมแมลงที่มันไปไข่ใส่ก็เป็นด่วง <c oughs> ด่วงก็เจาะจินเข้าไปจินเข้าไปลึกด้วยเอาไม้ไปเสียบลองดูเข้าไปถึงนิ้วสองนิ้วมันก็เจาะจินไปเจาะจินไปเมื่อนไปถึงกลางใจ่้นไม้ทัวไม้ก็ตายไปนี่เรียกว่า เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ต้นไม้มันไม่เจริญงอกงามแต่ต้องอาศัยอย่างอื่นอันนี้เรียกว่าไม่เป็นแก้วสารพัดนึกเหมือนกับการเจริญสติการเจริญสติจะยิ่งดีจะมีประสบการณ์เห็นมันลงเนี่ยโอ้มันดีจริงๆได้มีสติ พอมันหลงก็มีสติอะไรก็ตามเถอะนะที่มันเกิดกับกายกับใจเนี่ยก็จะมีสติว่าแต่เราสร้างเป็นฐานเป็นหลักเป็นที่ตั้งเอาไว้ก็ไม่ได้ออกเรียวออกแรงเนื้อมันในมันมันอยู่ด้วยกัน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจปัญหาต่างๆก็แช่ลงไปที่กายที่ใจมีสติสมัญญาเนี่ยเนี่ยวิชากรรมาฐานมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่วิชาไม่ใช่การการะทำแบบรอคอยเป็นวิชาที่ทำกับไม้กับมือถ้าเป็นการชวนกันก็จับมือจุงมือกันไปดูนี่แหไรนีย แต่ว่านี่เนี่ยนหนูจะเลยอีจะเลยอีไม่อีกนี่คือมันใกล้ใกล้แต่นี้นูดน้ดนู้ดมันไกลถ้าเป็นมักเป็นผลกิดนี่ไม่ใช่นูดน้ดเหมือนกับพูดเมื่อวานนี้ว่าถ้าเป็นมักผลเกิด คีมลองคีมไปเลยแม้ยังไม่มั่นคงเพ่ถาวรก็ได้ได้ได้ผลแล้วรู้สึกตัวเห็นความหลุดพ้นความหลุดพ้นที่เป็นวิมุตเป็นการสุดยอดของการศึกษาเนี่ยนกับพ้นชั่วช่างสะบัดหูชั่วงูแลบลืน่น เห็นมันหลงพ้นเจ้าความหลงมีสติก็พ้นเจ้าความหลงมันทุกข์มีสติก็พ้นเจ้าความทุกข์แม้มันหลงอีกมันทุกข์อีกก็พ้นอยู่เรื่อยๆเนะี่ยทางแบบนี้ทางไปแบบนี้ทางหลุดพ้นคือไปแบบนี้การปฏิบัติทำการเจริญสติเนะี่ยเป็น สุดยอดของการศึกษาตามวิชาการของหลักพุทธศาสนาเราต้องสอนกันอย่างนี้เราก็ต้องศึกษาแบบนี้ให้มันตรงๆงาปฏิบัติตงปฏิบัติดีปฏิบัติตตออกจากทุกแล้วมันก็เป็นกฏทุกคนรูปเนี่ยถ้าเราไม่มี วิธีที่จะให้พ้นจากทุก์ทุกเนี่ยมันก็เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเป็นภาละเรื่องของกายของใจเนี่ยที่สุดคือทุกถ้าเราไม่ศึกษาถ้าเรามาศึกษาที่สุดก็คือการพ้นทุกเพราะปุริเจจงมีแต่ทุกเท่านั้นตั้งอยู่ไม่แต่ทุกเท่านั้นดับไป เรามีความทุกข์อย่างเราแล้วเรามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วมีความเกิดมีความเจ็มีความเจ็บมีความตายถตเราจะปล่อยมันก็ไปทางนั้นใหญ่ยิ่งใหญ่มากความเกิดความเจ่ความเจ็บความตายแล้วการเกิดก็เกิดได้หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นพบเกิด ทางตาเกิดทางหูเกิดทางจมูกเกิดทางลิ้นทางกายทางใจเกิดเป็นพบเป็นภูมิต่างๆเรียกว่าเกิดตับเกิดตับเกิดตับแ้วเกิดจากท้องแม่ที่ได้ลูกได้นามมามก็มีการเกิดอยู่บนนี้ ขึ้นไปอีกหลายหลายอย่างเป็นภพเป็นภูมิบางทีมันต่ำลงไปถ้าเราไม่ศึกษาไปอยู่ในภูมิมันต่ำภูมิมันต่ำก็คืออบายอบายนี่ก็คือสัตว์นรลกสัตว์ดิลฉานสัตวชัลกายหรือเปรือพวกนี้ไม่เจริญ ดังคำสอนที่ท่าทายพวกเราว่าคนเราเนี่ยไปสู่ภูมิันต่ำเรียสุรกายสันโลกเดรัจฉานนี่เท่ากับคนโค ไปสู่ภพภูมิสูงเท่ากับเขาโขไปสู่สวรรค์ในพานเท่ากับเขาของโขขนกับเขามันไม่เปรียบเทียบกันได้นี่เรื่องเรื่องที่ท่าทายชีวิตเราเราก็มีคำสอนที่มันโงกขึ้นมา ใหม่ๆเรื่องศาสนาดังที่ได้ยินเขาสอนเขาพูดให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้การแปลคัมภีร์ของอิสลามเนี่ยถ้าฆ่าคนจะได้บุญคนที่ถูกฆ่าก็าจะมาเป็นขี้ฆ่าของเราในภพภายข้างหน้าเป็นที้ฆ่าเราถ้าเราฆ่าใครคนนั่นจะมาเป็นขี้ฆ่าเขาจึงฆ่ากัน อย่างสบายๆไม่ต้องคิดอะไรหรือแต่ค้าคนที่เป็นศัตรูกับเขากับศาสนาของเขาเขาจะได้ได้บุญได้บุญเขาจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าบางทีเขาก็ได้ยินเขาว่ากัอันนี้ก็าเอามาพูดแต่ว่าคขาเป็นทีิอย่างไร เราไม่ทราบให้เราเธอมันเป็นอย่างนั้นเราเรารู้สึกว่ามันน่าน่าน่าจะผิดเป็นอย่างมากๆเลยไม่ว่าสัตว์อะไรเรับตัวโกลตายเหมือนกันการทําให้ตายการทําให้เกิดถือว่ามันเป็นบากมันเป็นบาป แม้แต่เรานี่ยก็เป็นบาปถ้าเราทําให้เราเป็นทุกข์เราก็เป็นบาปเพราะเราจึงมายกภูมิของเราปิดภูมิที่มันไปนต่ำๆปฏิบัติธรรมเพราะว่าคนเนี่ยมันก็มีทางมีโอกาสไปสู่อบ า, ายได้เราจึงมาพัฒนาตรงนี้อย่าให้มันเป็นคน คนมันคืออย่างไรคือข่มร่ายข่มดีครึ่งผีครึ่งคนข่มร่ายข่มดีเป็นยงไงบางทีก็ทุกข์บางทีก็หลงบางทีก็สุขบางทีก็โกรธเอาทุกอย่างคนนะ่ยเอาทุกอย่างโกรธความรักความชังความยินดีความยินไล่วนเวียนอยู่ตรงนี้ก็ปล่อยมันเป็นอยู่ตรงนั้นลอยตัวอยู่ จนพูดออกมาไม่มั่นใจไม่มั่นใจตัวเราไม่รู้จะเป็นอย่างไรไม่รู้จะเป็นอย่างไรไม่มั่นใจตัวเองให้อาการต่างๆเป็นใหญ่คล้อยตามมันไปนี่เรียกว่าคนบทนี้เรามามีสติรู้ทันมันมีสติขบกาเนิดของคนคุ้มร้ายคุมดีนั่น ขุมได้อะไรที่มันเกิดขึ้นมาลู้สึกตัวคุมมันแล้วควบคุมมันแล้วควบคุมสังขารที่มันไว้ไฟต่าลู่สึกตัวขึ้นมาลู่สึกตัวขึ้นมาผมลู้สึกตัวเพอให้ได้ได้ภูมิใหม่ได้เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ขึ้นมามนุษย์เนี่ยไม่มีโอกาสเป็นพระได้คนไม่มีโอกาสที่จะเป็นพระได้ ถ้าเรามาศึกษามาดูจริงๆเราหน้ากลัวมากคนเนี่ยคุ้มลอยคุมดีเนี่ยพอเรามีสติเราเห็นเนี่ยเราเห็นเนี่ยเราเห็นเนี่ย <c oughs> เห็นเราก็เปลี่ยนมารู้สึกตัวมาลู้สึกตัวน่ยมันจะหลุดลงไปเราเอาขึ้นมาได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ขนหัวลุกเหมือนกัน มันจะโกรธแล้วรู้สึกตัวนะช่วยช่วยตัวเองได้ยกขึ้นมาได้มันจะทุกข์ช่วยตัว่างได้รู้สึกตัวยกขึ้นมาได้ค้นออกมาได้เหมือนกับมันจะตกลงไปหววหิวจับได้ดึงขึ้นมาเหมือนลูกจะตกบ้านจะตกวันไดพ่อแม่คว้าเอามาจับแขนจับขาไว้ ไม่ถูกเลยที่ีมันเป็นการปฏิบัติที่ที่จำเป็นและรีบด่วนการมีสติมันเป็นการด่วนช่วยตัวเองให้พ้นออกมาแล้วก็มีเยอะแยะงานที่เราทำแบบนี้มีมากที่สุดเลยสนุกสนุกช่วยตัวเอง การเจริญสติเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ฟรีไม่ใช่ฟรีบางคนไ ป, ไปรออะไรไปเห็นอะไรไม่ใช่เห็นสิ่งที่มันมีอยู่นี่แหละอะไรก็ได้แต่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจแต่ไม่มีอะไรก็รู้สึกตัวเรื่อยไปมันก็มีกายอยู่เนี่ยเอากายมาสร้างความรู้มันก็มีความรู้กับกาย <c oughs> มันไม่อยู่เฉยๆหรอกเรื่องของกายของใจมันมี บทเรียนมันมีการงานที่ทำให้เราได้ศึกษามันอยู่เรื่อยๆนะจนเห็นอาการต่างๆเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่ท่านเรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ของกรรมฐานความไม่เที่ยงอย่างเนี้ยเห็นความไม่เที่ยงก็เห็น จริงๆควบไม่เที่ยงควบไม่เที่ยงมันเป็นของจริงแต่มันไม่จริงผมรู้สึกตัวเข้าไปเห็นนะแต่ก่อนเราเคยเป็นทุกข์ควบไม่เที่ยงเราเคยเป็นทุกข์ควมทุกข์เราเคยเป็นทุกข์ควบไม่ใช่ตัวตนพอเรามีสติเข้าไปเห็นแล้วมันเป็นปัญญาแต่ก่อนเราเคยเป็นทุกข์ตอนนี้ก็ไม่ทุกข์เป็นปัญญาเข้าไปเป็นความรู้สึกตัวเข้าไป โมนี่เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานเห็นความหลงโม่เนี้ยเห็นอาการต่างๆก็พอสรุปได้ย่อๆกับมือเดียวว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นอารมณ์ของกรรมฐานไม่ใช่ตัวใช่ตนเรารู้แล้วแต่เท่านั้นเองก็ารู้สึกตัวเขาไปเห็นก็นเรียกว่ารู้แล้ว รู้แล้วเท่านั้นหลยง่ายๆไม่ใช่ไปโอ้ยไม่ใช่ไปหน้าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นการบ้านเฉลยไปแล้วเขาว่ารู้แล้วเฉลยไปแล้วหลุดออกไปแล้วอ่ามันไม่ยากแล้วก็ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปอบอบอปัญหา ไปถามไปเอาผิดเอาถูกกับใครไปโทษไปโวยใครก็ไม่ใช่มันเป็นส่วนตัวมันเป็นส่วนตัวที่เราจะเข้าไปเจี่ยวของมีสติสมัยันทร์ยะแต่ก่อนเราไม่เป็นส่วนตัวเราไปโทษคนอื่นชนอื่นทำให้เราเป็นทุกข์คนอื่นทำให้เรามมีสุขเรียกร้องความสุขจากผู้คนจากสิ่งอื่น ป้องกันความทุกข์ไม่ให้คนอื่นไม่ต้องทำกับเราความสุขบางทต้องไปซื่อไปหา <c oughs> ไปป้นไปจี้ไปข่มไปคืนนมชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับวัตถกุกับผู้คนสิ่งอื่นวัตถุอื่นวันนี้เรามาเห็นอย่างนี้นะโอ้ เส้นผูกบงังภูเขามันไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้เรื่องง่ายง่ายก็ทำให้เป็นเรื่องยากต้องไปด่าไปว่ากันไปอะไรต่างๆไม่ต้องแล้ววันเนี่ยกลับมาเปลี่ยนที่ตัวเราหวามรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวเฉเลอยเรื่องของกายของใจ เรารู้สึกตัวนี้มันก็พัฒนาพัฒนาไปเป็นมรรคเป็นผลถึงจุดหมายปลายทางเดี๋ยวนี้มีคนพูดกันมากเรื่องของสติสติเพราะมันหลงมามากมันมีปัญหามามากหลายชีวิตหลายผู้หลายคนก็ศึกษา มีปัญหาประสบการณ์ต่างๆเอาไปเอามามาลงอยู่ที่ควรู้สึกตัวแล้วเมื่อสองวัน3วันมานี่ก็เจ้าขณะจังหวัดขอนแก่นก็มาพูดเรื่องสติมาพูดเรื่องสติท่านจบปุเรียนทำเก้าประโยคน์ท่านก็อธิบายเรื่องคําสอนผู้ท่านเจ้ามันมาลงอยู่ที่สติมีความรู้สึกความระลึกใจเท่านั้นเอง ศึกษาก็ศึกษาตรงนี้เท่านั้นเองแม่แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัวให้พรปีใหม่พูดเรื่องสติในสติแล้วอราเราเนี่ยการศึกษาวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานเนี่ยถ้าไม่ใช่จเจริญสติเราไม่ใช่กรรมฐานไม่ใช่กรรมฐานไม่ใช่กรรม กรรมมันจึงถ้าไม่ใช่กรรมมก็จําแนกไปไม่ได้กรรมมันเป็นของจําแนกศาสนาพุทธศาสนาเน้นเรื่องกรรมเน้นเรื่องการกระทำจึงเป็นงานเป็นการของพวกเราเป็นงานเป็นการของพวกเราอย่าไปเอายากอย่าไปเอาง่ายอย่าไปเอาผิดอย่าไปเอาถูกไม่ต้องไปรอ ทำได้ทำแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรไม่ใช่เห็นอะไรเห็นมันหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้นั่นเห็นมันอะไรต่างๆโอ้มันเห็นหลายอย่างวิชาการมีสติเห็นกายกายานุปัสสนาก็เห็นกายนี่แล้วกายเมื่อกายมันเห็นกายกายมันแสดงเรื่องการแสดงอยู่ เรื่องก็กายแสดงไม่มาก <c oughs> เป็นเวทนาก็มีเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นหนาวเป็นปวดเป็นเมื่อยอะไรต่างๆกายมันแสดงเมื่อกายมันแสดงก็เห็นเห็นก็สติเห็นจะเป็น เป็นภาษาของสติวสักายสักว่ากายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเวทนาก็คือเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขากายในกายเวทนาในเวทนากายในกายคือเป็นเป็นเวทนามันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันเป็นล้นมันเป็นหนาวมันเป็นหิวมันเป็นปวดเป็นเมื่อยนั่นเรียกว่ากายในกาย กายที่เป็นกายดุนดุนนี่ยมันไม่เป็นอะไรเมื่อกายมันมีในกายเราก็ไปหลงหลงทั้งกายดุนดุนหล่นทั้งกายในกายเวทนาก็เวทน า, ทนาในเวทนามันก็สุขกิงๆกงมันก็ทุกข์กิงๆกงมันก็อะไรต่างๆในเวทนามีตนอยู่ในเวทนา ไม่ใช่เวทนาธรรมดามันมีตนอยู่เข้าไปในเวทนาเป็นภพเป็นภูปอยู่ในเวทนาก็สุขก็สุขในเวทนาถ้าทุกข์ก็ทุกข์ในเวทนาเวทนามันปั่นหัวเรามันครอบงำเราเมื่อเรามามีสติไม่เห็นเนี่ยโอ้ยปะโท้องทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรเราก็อ ม, มแบกเอาไว้ เอามืแบกเอาไว้เอาเวทนามาแบกเอาไว้ยึดไว้เป็นอุปาทานเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขของเราเป็นทุกข์ของเราในความเป็นในภพภูมิในเวทนามากพบมากชาติหลายพบหลายชาติเวทนาไปแบกเอาไว้ยึดเอาไว้จนเป็นภาระเป็นปัญหา จนเกิดข่มขืนฆ่ากันแจงกันป้นขี้เอาของคนอื่นมาเป็นของเราเอาของเราไปเป็นของคนอื่นหมดเหนือหมดตัวเป็นทุกข์เป็นโทษนั่นเวทนาในเวทนามันไม่ใช่เรื่องเล็กเล็กน้อย น, นอยเมื่อเราเห็นอย่างนี้โอ้เปิดทางปลุกเบิกออกแล้วเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาการศึกษา เห็ทนทำรในธรรมในธรรมธรรมมันเป็นกุศลเป็นอกุศลเกิดขึ้นกับจิตกับใจที่เราไม่รู้บางทีก็ไปหลงสุขไปหลงความรู้มันมีมันกันธรรมนะสุขก็มีทุกข์ก็ ม, มีรู้ก็มีไม่รู้ก็ไม่เป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกเป็นผู้ได้เป็นผู้เสียมีความทุกข์ความธรรมความดี มีความสุขก็ทำความชั่วก็ไม่ได้ด่าเขาเออกูได้พูดน้ำใจกูแล้วได้ฆ่าเขาอ่าจนจนคิดว่าตัวเองทำเก่งได้เอาชนะคนอื่นได้ฆ่าคนอื่นได้เหตุได้ผลได้โตได้ว่าอะไรกันเต็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกในธรรมที่มัน เป็นสิ่งที่ครบอบความชีวิตจิตใจของเราคว า, ความโกลบกมโรคโกมหลงความสุขความทุกข์ความรู้ความไม่รู้บางทีนักกรรมาฐานก็ไปหลงตรงนี้ได้เหมือนกันบางทีมันตกแหลงความรู้ตกแหลงความสุขก็ไม่ไม่เห็นเข้าไปเป็นกับมันซะ มันสุขก็เป็นผู้สุขมันทุกข์ก็เป็นผู้ทุกข์มันลูกก็เป็นผู้ลูกมันไม่ลูกก็เป็นผู้ไม่ลูกในธรรมทางเธอมันไม่ลูกเหอเจ้าว่าตัวว่าตนเป็นตนผู้ไม่ลูกสําคัญมันหมายเป็นปมด้อยเป็นปมเครื่องบางทีก็ถ้าสําคัญตรงนี้ก็ต้องอาบัดประชิกได้ อวดอุตริมนุษยธรรมทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนดูอะไรเล็ก้น้อยก็ก็หลงตัวลืมตนบาทีมันมีได้ปฏิบัติทมในอารมณ์ของกรรมฐานอย่าไปหลงมันมันสงบมันไม่สงบมัน ร, นรู้มันไม่รู้เนี่ยเท่าเท่ากันสติก็เขาไปเห็นเ้าไปรู้ได้นะ มันเรียกว่าทางทางหลุดพ้นของผู้ปฏิบัติต้องลุยลุยไปแบบนี้แหละสติมันลุยไปแบบนี้ไม่มีอะไรที่จะขวงขวงกั้นได้ขวงหน้าได้เอาไว้หลังหมดจึงจะเป็นการหลุดพ้นถ้าไม่เอาไว้หลังไม่ไม่ใช่การหลุดพ้นเั่งมีสุขมีทุกข์มีโกรธมีโลภมีหลงมีรักมีชังมีอะไรต่างๆไม่ใช่หลุดพ้น เรียกว่ารู้แล้วผมรู้สึกตัวรู้แล้วเอาไปเอามาตัวรู้สึกตัวก็เป็นปัญญาหน่าแหละเป็นปัญญาปัญญานะ่ะเป็นวงเล็บปิดตัวเป็นสุดเป็นต่อสุดท้ายเข้าถึงปัญญาแล้วว่าต่อท้าย ถ, าถ้าตรงท้ายมีปัญญาแล้วก็นั่นแหละถือว่าพุทธปัญญาพุทธไม่ใช่ปัญญาอะไร เห็นศีลสมาธิปัญญา่ปัญญาต้องเป็นขั้นสุดท้ายอ่าก็เกิดจากความรู้สึกตัวมีสติสติปัญญาอ่าเราก็เลยพูดแบบไม่เอารายละเอียดไม่ไปเอารายละเอียดอไปสอนธรรมะบางคนเขาข้าวว่าเราเนี่ยพูดแต่เรื่องสติพูดแต่เรื่องสติไม่ได้พูดเรื่องศีลไม่ได้พูดเรื่องสมาธิ ไม่ได้พูดเรื่องการทำบุญให้ทานเลยไม่ได้พูดเรื่องอ่พิธีกรรมต่างๆบางทีคนก็หาหลายละเอียดทีด่จริงมันพูดแล้วความรู้สึกตัวมันหมดแล้วมันเป็นการละความชั่วแล้วมันเป็นการทำดีแล้วมันเป็นการทำจิตให้บริสุทธิ์แล้ว มันเป็นศีลแล้วเราไม่ได้ไปทำอะไรเรารู้สึกตัวเราอยู่มันเป็นการสํารวมอินทรีย์แล้วเรามีสติเนี่ยมันเป็นศีลแล้วใส่ใจที่จะรู้สึกตัวอยู่นี่มันก็เป็นสมาธิแล้วเราไม่หลงแม้มันหลงก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้เนี่ยคือผู้ฝึกสมาธิไม่ใช่ไปนั่งหลับตาเป็นรูปแบบ เราอยู่ไหนเรามันหลงอยู่ไหนมันเป็นอะไรเราลูบสึกตัวใส่ใจที่จะลูบสึกตัวอยู่เสมอเกิดกับการกับงานทํางานทําการเนี่ยสมาธิต้องไปทํางานไม่ใช่สมาธิทิ้งงานทิ้งการ น, น, นั่งหลับหูหลับตาไปอ่านหนังสือไปเขียนหนังสือไปทํางานเอามือเอากายไปทําเอาใจไปทำํำ <c oughs> ใส่ใจลงไปไม่โอดไม่ทิ้ง ไม่ผิดไม่พลาดสมาธิปัญญาก็ก็รลบรู้ปัญญาถลุงแยกอยู่เรียกว่าวิจยะบางการสดส่องไม่ใช่ทำโง่โง่โง่เงาเตาตุนไม่ใช่มีสติมีปัญญาไปพร้อมกันไป เนี่ย <c oughs> เราทำทั้งหมดแล้วเราจเจริญสติเนี่ยทำบุญบุญคืออะไรบุญคือทำความดีความดีอยู่ตรงไหนความดีเกิดขึ้นจากกายจากใจของเราเมื่อความดีเกิดขึ้นจากกายจากใจของเรากายของเราก็จะไปทำความดีไปพูดดีไปคิดดีก็มันก็เป็นการละความชั่วไปในตัวเนี่ยการจเจริญสติเนี่ย มันเป็นบุญใจมันจะดีกว่าเก่า <c oughs> สงบกว่าเก่าอเย็นก็เย็นกว่าเก่าพึ่งได้เลยพึ่งการกระทำพึ่งกายพิ่งใจมั่นใจเอากายเอาใจมาทําความดีได้สําเร็จทัวมีสติเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลเป็นใหญ่ความรู้สึกตัวนี่ยเป็นใหญ่ความรู้สึกตัว ไม่ความเป็นธรรมไม่อำนาจอำนาจแห่งความเป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วในกายในใจของเรามันใจอยู่แห่งหนตำบนใดอยู่ที่ไหนอันใดเวลาใดมันอยู่กับเราแล้วัะเนี่ยมันจะมีอะไรก็ไม่ไม่สำคัญเราเราจะเอากายเอาใจเรามีสติเนี่ยแล้วความชั่วทําความดีทุกโอกาส ให้เกิดการหลุดพ้นได้ทุกสถานาการณ์มันลงกับพ้นเจ้าความลงได้ทันทีมันทุกข์กับพ้นเจ้าความทุกข์มันยังมีความโกรธกับพ้นเจ้าความโกรธมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้หลุดให้พ้นมันจึงจะถูกต้องไม่ใช่เราจะไปจำน้นไปรับใช่สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษอ่ามันก็สงบลมเย็น จะเกิดขึ้นจากกายจากใจเรามันก็เป็นส่วนรวมได้เป็นความสงบร่มเย็นต่อส่วนรวมแต่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในกายในใจเขาเป็นภาระเป็นปัญหาต่อส่วนรวมเราปฏิบัติธรรมเราเจริญสติเป็น เป็นทั้งหมดก็อะไรทั้งหมดของชีวิตทั้งหมดของการศึกษาทั้งหมดของศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่ใชครึ่งครึ่งกลางกลางเป็นทั้งหมด <c oughs> แล้วเราก็ <c oughs> ก็ทาได้เอาเดินจงกรมรู้สึกตัวนั่งสร้างจังหวะรู้สึกตัวไปไหนมาไหนรู้สึกตัว ไม่ใช่เป็นวัตถุสิ่งของที่หามาจากที่อื่นม <c oughs> ันอยู่กับเราวอนนี้แหละ <c oughs> เรียกว่าปฏิบัติธรรมเรียกว่ากรรมฐานก็ให้มั่นใจให้เรามั่นใจให้มีการกระทำ <c oughs> การกระทำอย่างมั่นใจนะ เก็พูดใท่าฟังไม่ใช่พูดแบบ <c oughs> ชวนให้คิดชวนให้หาเหตุหาผลพูดแบบให้เอาไปทำเอาไปใช้ทันทีใช้ได้ทันทีตัวลูกเอาไปใช้ให้มันรู้ถ้ามันหลงก็เอาตัวลูกไปใช่กับความหลงให้มันพ้นจากความหลงอเอาไปใช้ให้เป็น เป็นเครื่องมือที่นําไปใช้ได้ทันทีอยู่กับเราทันทีแต่ถ้าไม่ใช่มันไม่ไม่ได้นะแต่มันหลงไปเอาผิดเอาถูกกับความหลงไปโทษโน่นโทษนี่แสดงว่าไม่เอาไปใช้พูดสอนให้เอาไปใช้ให้เอาไปทำเอาไปประกอบให้มันเกิดขึ้นเอาไปใช้ถ้ามันหลงก็ใช้ความรู้สึกตัว ให้มันเป็นความรู้สึกตัวถ้ามันทุกข์ก็ให้ใช่ความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวแต่ถ้ามันโกรธก็ให้มีความรู้สึกตัวเอาไปใช้ทุกสถานการณ์เรียกว่านักปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพียงแต่ยกมือสร้างจาวะว่าเดินจงกรมปล่อยให้ตัวเองหลงอยู่ปล่อยให้ตัวเองทุกข์อยู่ปล่อยให้ตัวเองโกรธอยู่ปล่อยให้ตัวเองผิดอยู่เอาผิดเอาทุกข์เหตุผลเต็มตัวไม่ไม่ไม่ถูกต้อง องรู้สึกตัวแบบง่ายๆรู้สึกตัวอ่าวัตถุที่ทำให้เกิดความรู้สึกตัวก็อยู่ในตัวนั่นแล้วอายใจเข้าพิบตาขืนน้ำลายพลิกมืออ่าเดินจังกรมให้มันรู้สึกตัวอย่างเนี้ย